ความเชื่อในศาสนาแบบเด็กทารกต่อจากนี้ก็มาถึงปัญหาที่สาคัญอีกข้อหนึ่งคือเกี่ยวกับทัศนะของบุคคลในโลกทิพมีผู้ถามว่าเจ้าไหนบุคคลผู้ซึ่งเคยเป็นนักบวชเมื่อยังเป็นมนุษย์จึงกลับกลายเป็นคนละคนคือมีความเชื่อถือที่แตกต่างไปจากเดิมมากทาั้งๆที่เมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์เขาก็เป็นนักบวช ที่ปรากฏว่ามีศรัทธามั่นต่อศาสนาเดิมของเขาดีอยู่ในที่นี้คือศาสนาคริสต์ปัญหานี้ข้าพเจ้าใครขอตอบว่าความเชื่อในทางศาสนานิกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิกายออร์โธดอกซ์หรือไม่ใช่ออร์โธดอกซ์ก็ตามเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นอย่างรุนแรงแก่มนุษย์ถึงขนาดเป็นโซ่ตรวนผูกตนเองไว้กับหลักมัธยมมากต่อมากบุคคลเช่นนั้นไม่ค่อยจะยอมรับความจริงอื่นใด นอกจากเชื่อไปตามข้อความในคำภีในแบบเถ็นตรงคือเชื่อมั่นไปตามตัวอักษรทุกประการบุคคลประเภทนี้เชื่อว่าศรัทธาคือความพักดีของเขานั้นเป็นการเพียงพอแล้วที่จะทำให้เขาบรรลุถึงสวรรค์ชั้นสุขาวาดีได้แม้ว่าเขาจะมีความเข้าใจในเจตนารมณ์หรือหลักการอื่นของศาสนาอยู่บ้างก็ตามบางจาพวกก็ถือว่า การมีศรัทธาตั้งมั่นในบุญบา ร, รมีของผู้อื่นคือถือเอาผู้ที่มีบุญบา ร, รมีเป็นที่พึ่งนั้นก็เป็นการเพียงพอแล้วและสามารถจะให้ผลเป็นความสุขชนิดสวรรค์ชั้นสุขาวดีได้เช่นเดียวกันทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าเป็นความเชื่อที่หยาบมากถ้าจะเปรียบก็เสมือนกับว่าบุคคลเหล่านั้นยังมีจิตใจเป็นเด็กทารกเลอเกิน ดังนั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์เขาก็จะได้เห็นว่าความเชื่อแต่ดั้งเดิมของเขานั้นมีคุณค่าเพียงใดคือว่าไม่มีคุณค่าเลยแต่เรื่องนี้จะเป็นไปได้ช้าหรือเร็วเพียงใดก็สุดแล้วแต่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีอุปาทานฟังแน่นอยู่กับความเชื่อเก่าเก่าในโลกมนุษย์มากน้อยเพียงใดคนที่มีจิตใจรักเหตุผลอยู่บ้าง ก็พอจะพูดอธิบายให้เห็นความจริงกันได้ในเวลาไม่นานนักซึ่งอันที่จริงหากเขาสามารถจะสละโซ่ตรวนแห่งอุปาทานเก่าๆของเขาเสียได้เร็วเท่าใดก็จะเป็นการดีแกเขาเองยิ่งขึ้นเพียงนั้นและในเวลาเดียวกันก็ทำให้พวกเราไม่ต้องเสียเวลาไปโดยไม่จำเป็นแต่ทว่าก็มีบางประเภทที่มีความเห็นดึงดันมากไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรเลย พวกนี้ถือตามความเชื่อกเก่าอย่างหัวชนฝาไม่ยอมเชื่อในประจักษ์พยานของสิ่งแวดล้อมและของชีวิตใหม่เสียเลยพวกนี้เราจำต้องปล่อยเขาไว้ตามลำพังเพื่อให้เวลาได้เป็นเครื่องช่วยสอนเขาเองทีละน้อยทีละน้อยสำหรับบางท่านที่ใครจะรู้ละเอียดต่อไปอีกว่าบุคคลบางคนสามารถจะละอุปทานเก่ า, เ ก, าเก่าได้เร็วเพียงใดนั้นข้าพเจ้าขอตอบว่า ในบางรายที่มีนิสัยรักเหตุผลพูดจากันรู้เรื่องดีก็อาจเสียเวลาประมาณสองสามชั่วโมงเมื่อนับตามเวลาของโลกมนุษย์ซึ่งก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่เร็วพอดูทีเดียวสําหรับการละทิฐิผิดๆที่เคยยึดถือไว้มาตลอดชาติที่เป็นมนุษย์อายุของบุคคลที่ตายจากโลกมนุษย์มาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติคนที่ตายจากโลกมนุษย์มาสู่โลกทิพย์ เมื่อเป็นหนุ่มสาวก็ดีหรือกลางคนก็ดีหรือวัยชรามากแล้วก็ดีก็จะมีความรุนแรงของทิฐิต่างกันไปแต่ละอย่างเรื่องนี้ต้องพิจารณาควบคู่กันไปกับรอยพิมพ์ใจเกี่ยวกับทิฐิดั้งเดิมของเขาคือต้องพิจารณาดูว่าเขามีความเห็นเช่นนั้นๆอย่างผิวเผินเช่นสากแต่ว่าทำไปตามสังคมหรือว่ายึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงจนฝังใจ ทั้งนี้เพราะคนบางคนก็แสดงกิริยาท่าทางให้สังคมเห็นไปเช่นนั้นเองว่าเขานับถือศาสนานั้นศา ส, สนานี้เพราะเขาเกิดมาในตระกูลที่นับถือศาสนานั้นและได้รับอบรมอย่างนั้นมาตั้งแต่ยาววัยแต่โดยน้ำสายใจจริงแล้วอาจจะไม่ได้เอาใจใส่หรือเชื่อถืออะไรเลยก็ได้บุคคลประเภทนี้ดําเนินชีวิตไปโดยที่จิตใจส่วนลึกของเขา ไม่เคยเอาใจใส่ต่อศาสนาใดๆเลยนอกจากว่าจะทำตามแฟชั่นหรือสังคมหรือประเพณีเท่านั้นเองทีนี้หันมาพูดเรื่องของข้าพเจ้าบ้างสักเล็กน้อยในระหว่างที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในโลกมนุษย์นั้นข้าพเจ้าเป็นนักบวชในนิกายออร์โธดอกซ์แต่ข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกอยู่เสมอถึงโลกที่มองไม่เห็นที่แวดล้อมตัวข้าพเจ้าอยู่ และเป็นโลกซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ได้อยู่ใต้อำนาจการปกครองของคณะสงฆ์แห่งนิกายของข้าพเจ้าเลยอันที่จริงความสามารถในทางอาชีพในการติดต่อกับโอปปาติกะก็ยังไม่ใช่ชั้นสูงเท่าใดนักแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำประนามของทางการคณะสงฆ์ที่กล่าวหาข้าพเจ้าต่างนั้นไม่เป็นความจริงคือทางการคณะสงฆ์ มาจะพูดย้ำอยู่เสมอว่าภาพนิมิต ท, ที่ข้าพเจ้าเห็นไปต่างๆเกี่ยวกับโลกทิพย์หรือโอปปปาติกะนั้นเป็นภาพมายาของผีร้ายมาหลอกหลอนทั้งสิน้นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นในภาพนิมิตนั้นไม่มีลักษณะท่าทางว่าจะเป็นผีร้ายหรือทาอันตรายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าไม่ได้คัดค้านหรือแสดงความไม่เชื่อนี้ออกมาให้ผู้อื่นทราบข้าพเจ้าได้แต่เก็บความรู้สึกและไม่ยอมเชื่อในสิ่งนี้อย่างเงี ย, งยบๆคือไม่เชื่อว่าสิ่งที่ได้เห็นนั้นเป็นแค่ภาพนิมิตหรือเป็นผีร้ายและสิ่งนี้ก็เป็นความลับส่วนตัวซึ่งข้าพเจ้านำมาสู่โลกทิพด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าในโอกาสที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เช่นนั้นเป็นการป่วยการ และเสียเวลาที่จะไปต่อสู้กับอิทธิพลอันมหาศาลของคณะสงฆ์ในโลกมนุษย์ได้และอย่างน้อยข้าพเจ้าเองก็ยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของทางการคณะสงฆ์ด้วยดังนั้นข้าพเจ้าจึงตเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะได้พบสิ่งแปลกประหลาดต่างๆที่ตรงกันข้ามกับที่สอนไว้ในพระคัมภีร์โดยทางการคณะสงฆ์ของโลกมนุษย์และข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะเปลี่ยน หรือละทิ้งความเห็นเก่าๆได้ทันทีถ้ามีส่วนใดขัดกับความจริงของโลกใหม่อันที่จริงข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้ถือตัวว่าเป็นผู้มีความรอบรู้ในเรื่องโลกหน้าดีแม้ครั้งไม่ยังเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าพยายามสแสวงหาความรู้ในเรื่องนี้จากทุกวิถีทางที่จะกระทำได้ในคำสอนของคณะสงฆ์ ข้าพเจ้าเองก็ยังรู้สึกเชื่อในข้อความส่วนใหญ่ของพระคัมภีร์เหมือนกันเป็นแต่คิดว่าสภาวะของโลกหน้านั้นไม่น่าจะเป็นดังที่ทางการในคณะสงฆ์ในโลกมนุษย์ได้กล่าวไว้เลยในโลกมนุษย์เวลาที่ข้าพเจ้าเทศสั่งสอนผู้อื่นถ้าข้าพเจ้าเทศไปตามข้อความในคัมภีร์ก็เรียกดีว่ามีที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ที่ใกลไกไม่กล้าเถียงหรือคัดค้านเพราะถ้าจะเถียงหรือคัดค้าน ข้าพเจ้าก็จะอ้างพระคำผีขึ้นมาบาังหน้าเอาไว้ได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าข้าพเจ้าเล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับโลกแห่งโอปปาติกะให้ผู้อื่นฟังข้าพเจ้าก็จะไม่มีหลักฐานอ้างอิงเป็นที่พึ่งเลยและทุกคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะพากันลงมติเป็นเสียงเดียวกันว่าประสบการณ์ต่างๆของข้าพเจ้านั้นเกิดจากอำนาจของผีร้ายทั้งสิน้นแต่นั่นแหละ าจจะมีบางคนกล่าวว่าข้าพเจ้าควรจะได้ทำการค้นคว้าให้ลึกซึ้งกว่านี้เสียในขณะนั้นเพื่อข้าพเจ้าจะได้พิสูจน์กันให้เห็นจริงลงไปเสียทีว่าคำสอนทางศาสนาในโลกมนุษย์นั้นผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงบางครั้งข้าพเจ้าเองก็เคยนึกเหมือนกันว่าเสียดายที่ไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่บัดนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเสียดายอีกต่อไปแล้ว บั Shift, นบนดนี้ข้าพเจ้ามีมิตรสหายเป็นจำนวนมากและได้รับความช่วยเหลือให้เข้าถึงความสุขชนิดที่ข้าพเจ้ามีได้เคยนึกฝันมาตะก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เมื่อการเดินทางในโลกมนุษย์ของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงและได้ส่งข้าพเจ้าให้มาสู่โลกทิพย์ที่ข้าพเจ้าใฝ่ฝันถึงมาแล้วเป็นเวลานานข้าพเจ้าก็ได้เตรียมใจไว้พร้อมแล้ว ที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งที่มีคาดฝันต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามและสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าในระยะต่อมานั้นก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งทีเดียวขนาดที่เรียกว่าแม้ปิดตาสักครึ่งหนึ่งก็รู้ได้โดยไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าคำสอนของทางการคณะสงฆ์ในโลกมนุษย์คือศาสนาคริสต์เกี่ยวกับเรื่องโลกหน้านั้นผิดพลาดโดยสิ้นเชิง และเมื่อคำสอนเหล่านั้นผิดไปเช่นนี้แล้วคำสอนที่ข้าพเจ้ารับมาสอนประชาชนต่อไปก็เป็นอันว่าผิดพลาดไปหมดตามกันความงดงามของภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมแห่งชีวิตใหม่ที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาด้วยตนเองทำให้ข้าพเจ้าเกิดความปิติปราโมทยังล้นเหลือและเมื่อรู้ว่าโอกาสอันดีเช่นนี้ยังมีอยู่เบื้องหน้าเรายังไม่มีสิ้นสุด ก็ยิงทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างท่วมทน้นจึงเป็นการไม่ยากที่ไหนไม่ช้าข้าพเจ้าก็สละความเห็นผิดที่ได้รับมรดกมาจากคำสอนของทางศาสนาในโลกมนุษย์ออกไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยนอกจากจะรู้สึกเสียใจว่าตนได้สั่งสอนประชาชนผิดพลาดไปเป็นอันมากเสร็จแล้วและนี่เองก็เป็นเหตุที่ทาให้ข้าพเจ้า ต้องพยายามหาทางกลับมาติดต่อกับบุคคลในโลกมนุษย์ซึ่งผลงานครั้งนี้ก็ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความสาเร็จเกินกว่าที่ได้คาดฝันไว้หลายร้อยเท่ามาเหตุผู้อ่านให้สังเกตนะครับว่าในภพภูมิที่ท่านกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ จะได้เจอและอยู่ร่วมกับคนที่ศีลเสมอกันปัญญาเสมอกันและทิฏฐิหรือศรัทธาเสมอกันดังนั้นการที่ฟังเรื่องเล่าของโลกหลังความตายที่อาจมีสภาพแตกต่างกันไปนั้นก็ต้องเข้าใจหลักตรงนี้ด้วยนะครับว่าส่วนใหญ่ยัยงเป็นภูมิที่หยาบหรือเป็นสวรรค์ชั้นต้ น, ตนที่ยังมีการแยกแยะ แ, และแยกกันอยู่ตามทิฏฐิศรัทธาปัญญาและศีลของแต่ละกลุ่มคนนั้นด้วย